ท่านผู้บริหารคณาจารย์เจ้าหน้าที่ระนิสิตปฏิบัติาศาสนกิจทุกครูมีท่านพระมหาราชันจิตต ป, ปาโลผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิตเป็นต้นเป็นประธานขอเจริญพรท่านผู้บริหารคณาจารย์ฝ่ายคฤหัตทุกท่าน ขออนุมโมทนาชื่นชมยินดีต่อทุกรูปที่ได้ปฏิบัติาศาสนิกริตร่วงในเวลาที่กำหนดหนึ่งปีที่ผ่านมาหลังจากที่ได้ปฏิบัติาศาสนกิจร่วมกันก็จะมีการประชุมสัมมนา เพื่อลำลึกนึกถึงสิ่งที่เป็นประสบการณ์ที่เราได้ไปทำมาให้มันตกผลึกเป็นความคิดรวบยอดสำหรับตัวเราเองที่จะเดินหน้าต่อไปหลังจากนี้เราจะรับปริญญาบัตรเราจะทำอะไรต่อไป ประสบการณ์ในรอบหนึ่งปีที่ผ่านมาจะเป็นตัวกำหนดและบอกเราเองว่าเราจะทำอะไรแม้ในฝ่ายมหาวิทยาลัยก็จะได้ประโยชน์จากการที่มาสัมมนาเพราะได้ฟังประสบการณ์ของท่านทั้งหลาย จะได้นำมาวางแผนในการส่งพระนิสิตปฏิบัติศาสนกิจในรุ่นต่อๆไปให้มีความพร้อมมากยิ่งขึ้นอย่างไรก็ตามสิ่งแรกที่เราควรจะได้ก็คือตัวผู้ปฏิบัติเองปฏิบัติศาสนกิจเองเนี่ยเราได้อะไรบ้างซึ่ง ถ้าเราไม่นึกย้อนตรวจสอบทบทวนมันก็อาจจะช่วยไม่มีไม่มีส่วนช่วยในการที่เราจะเดินหน้าต่อไปไม่ว่างานของท่านทั้งหลายต่อไปนี้จะอยู่ที่ไหนอย่างไรเนี่ยประสบการณ์ที่ผ่านมามันก็เป็นเรื่อง สำคัญเพราะทำให้เรารู้จักตัวเองการรู้จักตัวเองว่าเรามีความรู้มีความสามารถขนาดไหนมีวุฒิภาวะเพียงใดมันต้องผ่านร้อนผ่านหนาวมาก่อนมันจะต้องผ่านการปฏิบัติหน้าที่มาก่อน ซึ่งถ้าเราไม่ไม่พาตัวเองไปสู่สนามในการปฏิบัติงานเราก็จะไม่รู้ว่าเราเก่งแค่ไหนเราก็จะไม่รู้ว่าเรานั้นมีความอดทนเพียงใดมีใครช่วยเราบ้างและเรารัก ที่จะทำในเรื่องใดเพราะว่าเส้นทางในโอกาสต่อไปนี้เนี่ยมันเกี่ยวข้องกับที่เรามีเราเป็นถ้าหากว่าเราไม่รู้ว่าเราเอาดีทางไหนได้เนี่ยมันก็จะทำให้เสียเวลาในชีวิตฉะนั้น มันเป็นโอกาสทบทวนทั้งของงานโดยรวมและทบทวนชีวิตของท่านเพื่อที่จะเป็นฐานของการก้าวต่อไปในการสัมมนาจึงมีประโยชน์ทั้งส่วนตนของท่านทั้งหลายเองทั้งแก่งานที่จะทำต่อไป ในส่วนของมหาวิทยาลัยนั้นก็อาจจะกล่าวได้ว่าเราได้ทำตามปรัชญาของมหาวิทยาลัยแค่ไหนที่ว่าเราจัดการศึกษาพระพุทธศาสนาให้พวกท่านบูรณาการกับาศาสตร์สมัยใหม่เพื่อไปพัฒนาจิตใจของตนเองและของคนอื่นรวมถึงพัฒนาสังคม พอท่านลงไปสู่สนามปฏิบัติงานเนี่ยองค์ความรู้ในทางพุทธศาสนาเพียงพอไหมศาสสมัยใหม่มาช่วยให้ท่านทำงานได้ดีขึ้นไหมสภาพจิตใจของท่านเป็นอย่างไรและท่านได้มีส่วนช่วยพัฒนาจิตใจของคนอื่นพัฒนาสังคม ย่างไรมันก็จะเป็นโอกาสในการมองภาพรวมสมมุติว่าความรู้มันยังไม่เพียงพอเราก็ต้องไปเรียนเพิ่มเติมในเรื่องของอัยาศัยนิสยัยจิตใจยังไม่เพียงยังไม่เหมาะสมเราก็ไปเติมในส่วนที่ขาด หลวงพ่อปัญญานันทะนะท่านเตือนพระบัณฑิตใหม่นิสิต ท, ทั้งหลายว่าคนสร้างงานงานก็สร้างคนคนสร้างงานขึ้นมาด้วยการที่ท่านไปปฏิบัติศาสน ก, กิจแล้วในรอบหนึ่งปีเนี่ยงานมันหล่อหลอม บุคลิกของท่านความเป็นความเป็นเนื้อเป็นตัวของท่านแค่ไหนถ้าในรอบปีท่านประสบความสำเร็จมันก็ทำให้ท่านเชื่อมั่นตัวเองว่าเราจะเดินไปในเส้นทางนี้ถ้าในรอบปีท่านประสบความล้มเหลวหนีหน้าที่ มันก็บ่งบอกความเป็นตัวตนของท่านในอนาคตมันก็จะเป็นอย่างนั้นนฉะนั้นงานมันคือสิ่งที่สร้างตัวเราด้วยท่านก็ลองมองนึกย้อนไปว่าเราสร้างงานอะไรขึ้นมา ในงานหกด้านของคณะสงฆ์ตั้งแต่ปกครองไปจนถึงสาสารณสงเคราะห์เราไม่ได้ถนัดทั้งหมดทั้งหกด้านแต่เราถนัดด้านไหนและที่ว่าเราถนัดเนี่ยเรามีความรู้เหมาะสมกับเรื่องที่เราทำหรือไม่ มีทักษะมีประสบการณ์เพียงพอหรือเปล่าและก็มีเจตคติมีน้ำใจที่จะเป็นผู้ให้หรือไม่อย่างไรมันวัดสามเรื่องนะเราสัมมนาการเนี่ยมันก็บอกถึงประสบการณ์ในข้อสองแต่ความรู้ท่านจะรู้ ความรู้ที่เราลงไปในสนามจริงเนี่ยมันเหมาะกับงานนั้นหรือเปล่าแล้วประสบการณ์ก่อนนั้นช่วยท่านไหมและทำงานมาหนึ่งปีมีประสบการณ์เพียงใดทำเสร็จแล้วท่านอยากจะทำต่อหรือว่าเข็ดเขีย้ยมันเกี่ยวกับเจตคติ เกี่ยวกับทัศนะของท่านเพราะฉะนั้นหลังจากนี้ไปเนี่ยท่านก็จะรู้ตัวเองเลยว่าถ้าเราจะทำงานของคณะสงฆ์หกด้านเนี่ยขาดความรู้เรื่องอะไรควรจะไปเรียนเพิ่มไหมควรจะไปเรียนเพิ่มไหมสำหรับคนที่อยากจะเรียนต่อมันก็ ตั้งใจแหละสมมุติถ้าท่านทท่านเป็นประสังคาธติการปริญญาตรีพุทธศาสตร์บัณฑิตด้นด้านการจัด ก, การเชิงพุทธเพียงพอไหมหรือท่านจะต้องไปเรียนต่อปริญญาโทรปริญญาเอกต่อไปเพื่อเอามาทำงานที่ท่านอยากทำตอนที่ผมเรียนจบเนี่ย ผมก็ตัดสินใจว่าจะเรียนต่อดีหรือไม่เพื่อนผมก็ไปอ่านพระไตรปิฎกนะอยู่ที่แคมป์สนก็มีจบประโยคข้าวไปอ่านพระไตรปิฎกแคมป์สนบางรูปไปอยู่ที่ส่วนโมกบางรูปทํางานที่วัดในส่วนผมนี่ผมจะทําอะไรดี ผมก็ถามครูบาอาจารย์สาวเสียงดูก่อนตัดสินใจนี้ผมทำงานที่วัดผมวัดประยูนจัดอบรมพระนักเทศซึ่งเดี๋ยวนี้ก็ยังจัดอบรมอยู่เริ่มในยุคผมเนี่ยผมเหมือนกับทดลองปฏิบัติศาสนกิจผมเริ่มอบรมพระนักเทศที่วัดประยูน ปรากฏว่าทำงานยากมากเพราะผมไม่ใช่นักเทศแล้วต้องไปสร้างนักเทศเนี่ยความรู้เขาเรียกทักษะข้อที่สองชั่วโมงบินไม่พอเครียดมากวันไหนวิทยากรไม่มาเราต้องเป็นวิทยากรจำเป็นมันก็มีข้อจำกัดเพราะเราไม่ใช่ นักพูดนักเทศเพิ่งฝึกใหม่ๆประสบการณ์ก็ไม่เพียงพอเครียดแล้วก็ความรู้ที่เราจะไปถ่ายทอดให้เขาเรื่องธรรมะเรื่องอะไรต่างๆมันก็แค่หางอึ่งผมรู้ตัวผมแหละถ้าผมไม่ทำงานนี้ ผมจะไม่รู้เลยว่าข้อจำกัดผมอยู่ตรงไหนเรารู้เราวัดตัวเราเองได้เนี่ยเมื่อเราลงสนามท่านอย่างที่พวกท่านลงเนี่ยแต่ท่านจะต้องใจกว้างกับตัวเองนะว่าเรานี่มันพร้อ ม, มั้ยผมประเมินตัวแล้วความรู้ก็ไม่พอประสบการณ์ชั่วโมงบินบนธรรมะก็ไม่เพียงพอ แต่อาหารจัดฝึกอบรมนักเทศนนะท่านเครียดจะตายคนมาเรียนกันเยอะแยะเราเป็นผู้บริหารโครงการวิทยากรไม่มาซะอย่างนั้นหรือรถติดซะอย่างนั้นแล้วเราต้องขึ้นเองอะท่านมันจะได้กี่หนกี่ครั้งฉะนั้น เรื่องเจตคติเรื่องความเครียดมันก็ตามมาทนไม่ได้ผมต้องไปปฏิบัติกรรมฐานท่านเจ็ดวันที่วิเวกอาสมมันเครียดเพื่อสร้างความสงบสร้างความอดทนฝึกฝนตัวเองและทำไมผมไปเพราะผมรู้นี่ว่าเราจัดการกับความเครียดไม่ได้ต้องอาศัยกรรมฐาน สมัยโน้นเขาไม่มีหลักสูตรกรรมฐานสำหรับนิสิตมหาจุฬาอย่างทุกวันนี้การทำงานมันบอกเราเองท่านอย่างที่ท่านทำเนี่ยท่านถ้าท่านซื่อตรงกับตัวเองเนี่ยมันจะบอกเลยว่าท่านขาดความรู้ขาดทักษะประสบการณ์ขาดน้ำใจัหย ผมก็ไปถามครูบาอาจารย์นะเหมือนพวกท่านเนี่ยพ อ, พ อ, พ, อพอปฏิบัติงานอะไรเสร็จว่าเราจะทำอะไรต่ออาจารย์ส่วนใหญ่บอกว่าควรจะไปหาความรู้เพิ่มเติมเพื่อทำงานวงเล็บทำงานใหญ่เราต้องสะสมบารมีนะท่านนะ เราจะทำการใหญ่เราจะต้องสะสมประสบการณ์สะสมชั่วโมงบินแล้วบังเอิญว่าผมจบปริญญาตรีเกียรตินิยมอันดับหนึ่งคะแนนสูงสุดมหาจุราเขาก็ให้ให้ทุนไปต่อปริญญาโทที่มหาวิทยาลัยเดลีผมก็ไปไปสะสมไปบ่มเพาะประสบการณ์ตัวเอง แล้วผมก็เห็นชีวิตเนี่ยนะพอพอมันผ่านมาแล้วเนี่ยเราถึงเข้าใจสิ่งที่ที่ผมขาดตอนนั้นเนี่ยคือความรู้ส่วนประสบการณ์ในการเทศการสอนเนี่ยบังเอิญผมอยู่ในสำนักวัดนักเทศวัดปิยูนเนี่ยมัน มันมีเวทีฝึกฝนอยู่แล้วไม่ต้องหาจุดแข็งผมมีแล้วความเป็นนักพูดนักเทศมันมีโดยที่อยู่ในสำนักนั้นแต่ขาดความรู้ผมก็ไปบ่มเพาะความรู้เรียนจนจบปริญญาเอกความรู้นี่ไม่ใช่เฉพาะเนื้อหาวิชาแม้กระทั่งภาษาอังกฤษ ที่จะต้องมาทำงานระดับนานาชาติเนี่ยอยู่เมืองไทยมันไม่ก็ได้พูดท่านก็บังคับตัวเองที่จะไม่ใช้ภาษาไทยใช้แต่ภาษาอังกฤษมองตัวเองเหมือนกับผีเสื้อท่านวงจรชีวิตผีเสื้อเนี่ย มันมีสี่ขั้นตอนพวกเราก็จะต้องผ่านวงจรชีวิตผีเสื้อเนี่ยนึกถึงพุทธภาิตนี้ครับยะถาปิพมโรปุปผังวั น, นะคันทางอเหตยัง ผีเสื้อเนี่ยมันโบยบินหาน้ำหวานโดยไม่ทําลายกลิ่นและสีของดอกไม้ฉันใดมุนีเนี่ยมุนีคือผู้สงบผู้มีความรู้เนี่ยก็ท่องเที่ยวไปคาเมมุนีจ ร, จรติอะไรเนี่ย ก็ท่องเที่ยวจาริกปฏิบัติศาสนาักิจไปแบบนั้นทำไมจึงเป็นอย่างนั้นผมก็มาดูวงจรชีวิตผีเสื้อทำไมพทธเจ้าจึงเปรียบพวกเราพระเนทั้งหลายเนี่ยไปปฏิบัติศาสนักิจเหมือนผีเสื้อ ไปดูวงจรชีวิตผีเสือ้อมันอย่างนั้นจริงๆนะท่านผีเสือ้อกว่าจะมาโบยบินผสมเกสรดอกไม้โดยไม่ทำลายสีและกลิ่นเนี่ยขั้นตอนแรกมันเป็นไข่ก่อนนะไข่ผีเสื้อเนี่ยเพราะออไอตัวแม่มันจะวางไข่ผีเสื้อ แขวนอยู่ตามใบไม้กิ่งไม้เพราะฉะนั้นวงจรที่หนึ่งผีเสื้ออยู่ในไข่แล้วแม่มันก็จะไปวางไข่ไอ้ที่ใกล้ๆใบไม้เพราะพอลูกออกมาเป็นตัวผีเสื้อออกจากไข่มันเป็นหนอนผีเสื้อท่านกินลูกเดียว กินใบไม้น่ะที่อยู่ใกล้ๆนะกินหมดเลยนะท่านตัวมันอ้วนแล้วก็ยาวมีขายาวเยอะมากเป็นหนอนตัวยาวเลยหน้าที่ของหนอนผีเสื้อคือกินกินเป็นผู้เสวยเป็นผู้บริโภคพอกิน จนถึงจุดหนึ่งมันหยุดกินนะท่านมันหยุดในการสาอแสวงหามันจำศีลมันจะหดตัวเองแล้วก็ชักใยไว้รอบรอบใยเนี่ยมันจะล้อมตัวผีเสื้อที่เป็นนอนน่ะ น, นะแล้วก็แขวนไว้กับกิ่งไม้เราเรียกว่าดักแด้ยุคที่สาม ดักแด้มันชักใหญ่ล้อมตัวมันเองเนี่ยเป็นกระปะด้วยใยไหมถ้ายืดนี่ยาวเป็นกิโลนะถ้าไปทำในต้นหม่อนไอใยนั้นน่ะเอามาทำผ้าไหมมัตระกูลเดียวกันแต่คนละแบบ วงจรมันแบบเดียวกันนะตัวไอ้ต้นไอ้ที่ทำผ้าไหมเนี่ยมันได้มาจากดักแด้นี่แหละผีเสื้อมันก็ห่อหุ้มตัวมันเองนั่นหลายสัปดาห์โดยไม่กินอะไรเลยเขาเรียกจำศีลไม่บริโภคเวลาผ่านไปผ่านมาเนี่ยมันเกิด Transformation การเปลี่ยนแปลงจากตัวหนอนที่มีขาหลายคู่เนี่ยเหลือขาสองขาปากที่มันสำหรับกัดเป็นหนอนเนี่ยกัดกินใบไม้เลยนะเปลี่ยนเป็นปากที่มีหลอดนะเป็นหลอดนะ่ะดูดน้ำหวานมันไม่กัดแหะปาก มันเป็นหลอดออกมาดูดน้ำหวานเปลี่ยนสภาพเลยครับแล้วปีกมันออกมาได้ด้วยผีเสื้อนะปีกมันงอกออกมาอยู่ในดักแด้แลจากหนอนนี่กลายเป็นสัตว์มีปีกจากปากที่กัดมาเป็นหลอดดูดขาเหลือสองอยู่ในกระปะ๋อ แล้วเวลาที่จะออกมาเป็นผีเสื้อน่ะใยมันห่อหุ้มใยมันห่อหุ้มแน่นหนาปากมันก็ไม่สามารถจะกัดใยออกมาได้มันจะใช้ปีกใช้เท้าใช้แล้วนะทีบพยายามแรกตัวเองํำแรก กระป๋อใหญ่ไหมเนี่ยให้ขาดเป็นช่องแล้วก็มีช่องเล็กเดียวมันก็จะลอดเล็ดลอดบีบตัวเองเนี่ยเพื่อจะออกมาใช้กําลังเนี่ยเต็มที่เลยพุ่งชําแรกออกมาให้ได้ไอ้ใหญ่มันก็บีบบีบตัวผีเสื้อเนี่ย ลำบากลำบนมากท่านสมมุติในตอนนั้นมีใครบางคนเกิดจิตสงสารเห็นไอตัวผีเสื้อมันออกมาจากกระปาะด้วยความยากลำบากก็เลยเอากันไกลไปตัดช่องให้มันใหญ่ขึ้นทำคลอดอ่ะ ให้ตัวผีเสื้อมันออกมาง่ายๆไม่ต้องตะเกียกตะกายมากนะักหวังดีแต่กลายเป็นประสงค์ร้ายทำไมเรียกว่าหวังดีประสงค์ร้ายผีเสื้อที่ออกมาโดยการช่วยเหลือเนี่ยดึงออกมาเนี่ยเป็นผีเสื้อพิการท่านบินไม่ได้ เพราะอะไรครับการที่ผีเสื้อมันจะบินได้เนี่ยเลือดมันจะต้องฉีดไปเลี้ยงปีกทั้งสองข้างการที่มันทยานถีบช้ำแรกตัวเองออกมาเนี่ยในที่แคบๆเนี่ยมันบีบจนเลือดเนี่ยเข้าไปที่ปีกพอออกมามันก็เลยบินได้ไงท่านแต่ถ้าเราไปช่วยนะ ช่วยมันออกมานะเลือดมันเลี้ยงปีกไม่ได้มันก็เลยคลานเตะแตะเ ต, ตะเป็นผีเสื้อวิปริตพิกลพิการแต่การที่มันลำบากเนี่ยทำให้เลือดมันสูบฉีดปปกมันสยายโบยบินไปทั่วผสมเกสรดูดน้ำหวานประดับโลกนี้ให้งดงาม ท่านที่สี่เป็นผีเสือ้อพวกท่านทั้งหลายเนี่ยช้ำแรกกระเปะฟองไข่ในการเรียนในการปฏิบัติศาสน ก, กิจถ้าช่วยตัวเองทําด้วยตนเองเนี่ยนะจะเป็นผีเสื้อที่สวยงามที่โบยบินไปได้ทั่วโลก แต่ว่าถ้าในขณะปฏิบัติศาสนกิจน่นะท่านที่ผ่านมามีตัวช่วยเยอะเลยชั้แรกก็ไม่ชั้แรกงานก็ไม่เคยทาแถมมีคนเซ็นนั้อีกพิการนะท่านน่ะเดินเ ต, ต, ต, ตะอยู่หน้าวัดนะไปไหนไม่รอดหรอกท่านเรียนก็ไม่ได้เรื่องไปเป็นพระธรรมทูตก็ขึ้นเครื่องบินก็ตกเครื่องบินนั่น ไม่สามารถจะทำหน้าที่สร้างโลกสวยได้เลยเพราะฉะนั้นท่านต้องถือว่าที่เราลำบากในการปฏิบัติศาสนา ก, กิจเนี่ยมันคือการสร้างตัวท่านเองให้เป็นผีเสื้อที่สมมูรณ์แต่ทีนี้ถ้าเกิดว่า ท่านมานึกว่าท่านยังไม่สมบูรณ์ท่านจะเรียนต่อเข้ากระป๋องไข่อีกรอบก็ไม่มีใครว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยกว่าจะสำเร็จเนี่ยไปเป็นดักแด้ปฏิบัติทำกี่ปีท่านหกปีมันไม่มีใครไม่ผ่านกระบวนการนี้หรอกที่จะยิ่งใหญ่อะ อยู่คนเดียวออกจากวังมาอยู่คนเดียวปฏิบัติกรรมฐานหกปีท่านทำบรรเพลทุกกรักกิริยาด้วยนี่คือคือกระบวนการเขี่ยวเข็นกับตัวเองสร้างตัวเองแล้วหลังจากหกปีสัสรู้และพุทธิเจ้าเป็นยังไงสี่สิบห้าปีเป็นผีเสื้อที่โบยบินจาริกสอนทั่วชมพูทวีป ถ้าไม่มีหกปีที่เข้มงวดก็จะไม่มีสี่สิบห้าปีที่งดงามถ้าเราไม่ผ่านการเรียนสี่ปีของมหาจุฬาปฏิบัติศาส น, านกิจอีกหนึ่งปีเพื่อชำระตัวเองออกให้พ้นจากกระปาะดักแด้ท่านก็จะไม่ได้เป็นผีเสื้อที่โบยบินที่งดงาม เพราะฉะนั้นหนักเอาเบาสู้ท่านมันไม่มีทางลัดไปสู่ความยิ่งใหญ่เพราะกระบวนการของการสร้างตัวเองไปสู่ความยิ่งใหญ่เนี่ยมันมีขั้นตอนในการที่จะทำให้เลือดมันไปสูบฉีดที่ปีกผีเสื้อท่านจะต้องผ่านความยากละบาก และขอแสดงความยินดีกับท่านหลายที่ท่านผ่านตรงนี้มาคนที่ไม่เข้าใจจุดนี้เนี่ยนะครับก็เลยไม่เข้าใจว่าชีวิตเนี่ยมันจะต้องผ่านร้อนผ่านหนาว กว่าจะเข้าใจก็สายไปแล้วอย่างท่านอดีตรัฐบุรุษอาวุโสของประเทศเราคือท่านปรีดีพนมยงค์ให้สัมภาษณ์ในปีหนึ่งเกเจ็ดเกี่สิบปีมาแล้วก่อนจะถึงแกอ่อสัญญกรรมไม่นาน นิตยาสารเอเชียวินะครับสัมภาษณ์ท่านปรีดีพิมพ์เผยแพร่ในปี1979 40ปีมาแล้วหนังสือที่ออกนี่ขายทั่วโลกตอนนั้นผมเรียนอยู่ที่อินเดียผมได้ซื้ออ่านอ่านแล้วไม่เคยลืม คำสัมภาษณ์ประโยคหนึ่งของผู้สื่อข่าวผู้สื่อข่าวเอเชียวิกได้ถามท่านปรีดีว่าอะไรคือความผิดพลาดที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในชีวิตของท่านปรีดีที่ผ่านมา ซึ่งถ้าท่านย้อนกลับไปตั้งต้นใหม่ท่านจะไม่ยอมทำมันเป็นอันขาด greatest mistake อะไรคือความผิดพลาดที่ยิ่งใหญ่ชะกัดชะกันซึ่งถ้าย้อนกลับไปเริ่มต้นชีวิตใหม่ไทม์ชีนเหรนะย้อนกลับกลับสู่อดีต ถ้าเป็นฝรั่งเขาเรียกว่าไทม์มอชีนเข้าไปในเครื่องแล้วมันก็หมุนๆๆๆอยากจะไปไปีไหนมันก็จะกลับไปอยู่ในยุคนั้นแต่ประเทศไทยเขาถอดวิญญาณนะท่านนะไปอยู่ในยุคพนลายเฮ้อวิญญาณมันกลับไปคุยกับ อ, อเจ้าอะน <laughs> สมมุติเราทำได้เนี่ยท่านจะไปเปลี่ยนประวัติศาสตร์อะไรบ้าง ท่านปรีดีบอกว่าถ้าย้อนกลับเวลาได้นะผมจะไม่รีบทำการใหญ่ก่อนที่จะมีประสบการณ์ผมจะไม่รีบทาการใหญ่ก่อนที่จะมีประสบการณ์ตอนท่านปรีดีเรียนจบปริญญาเอกจากฝรั่งเศสมา เชื่อมั่นตัวเองสูงเพราะท็อปชนะฝรั่งความรู้ดีมากแต่ไม่มีประสบการณ์ในการเล่นการเมืองภาษาอังกฤษใช้คำว่า i n e x p e r i e n c e ด้อยประสบการณ์ผลก็คือมาเป็นหัวหน้าคณะราษฎรฝ่ายพลเรือนในการเปี่ยเปลี่ยนแปลงการปกครองในประเทศไทย ส 4, 7, 5ี่เพ็ห้าเพี่ยงพลํมท่านแพ้เกมการเมืองจนต้องระหกระเหินไปอยู่ต่างประเทศในประเทศตัวเองไปหลังจากเปลี่ยนแปลงการปกครองได้หนึ่งปีเพราะไปเสนอแผนเศรษฐกิจแห่งชาติสมัยนั้นเรียกว่าเขาโครงเศรษฐกิจเข้าคอร์รั ก่อนเสนอเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเนี่ยเพื่อนคอรมอลก็บอกว่าดีเสนอเลยแต่พอเสนอเขาโครงเศรษฐกิจเข้าไปโดนตีเละเลยยำใหญ่หาว่าเป็นเขาโครงเศรษฐกิจคอมมิวนิสต์เพราะมันมีเรื่องการปฏิรูปที่ดินสมัยโน้นเรื่องการปฏิรูปที่ดินมันเป็นเรื่องใหม่ เกินที่คนไทยจะตามทันหาว่าเป็นแนวคิดคอมมิวนิสต์ซื่อลุ้มจวกท่านเละเลยจนต้องออกจากตำแหน่งรัฐมนตรีสมัยแรกเรียกว่าคณะราษฎรพญาพระหดแนะนำบอกคุณออกไปนอกประเทศชั่วคราวเพี้ยงพล้มท่าน ท่านปรีดีบอกว่าถ้าในสมัยนั้นเนี่ยมันขาดประสบการณ์ถ้าย้อนเวลากลับได้ใหม่จะสั่งสมประสบการณ์ให้มากเข้าไว้ก่อนที่จะเล่นการเมืองเพราะความที่ตัวเองได้ประสบการณ์นั่นแหละ จึงนึกว่าพูดน้อยๆ อ, อธิบายน้อยๆเรื่องเขาโครงเศรษฐกิจเนี่ยคนไทยจะเข้าใจไม่นึกว่าคนไทยจะเข้าใจยากขนาดนั้นเลยคิดว่าพูดสั้นๆเนี่ยคนรู้เรื่องแต่จริงๆเขาไม่รู้เรื่องถ้าย้อนเวลากลับไปได้ใหม่จะพูดให้มากกว่านั้น จะอดทนตอบคำถามสื่อให้มากกว่านั้นไม่รู้จักคนไทยเนื้อว่าใครก็เก่งเหมือนเรานี่ท่านปรีดีจึงบอกว่าเมื่อข้าพเจ้ามีอำนาจตอนนั้นข้าพเจ้าก็ขาดประสบการณ์ ตอนนี้มีประสบการณ์มากแต่หมดอำนาจเสียแล้วตอนที่มีอำนาจกลายเป็นมือใหม่หัดขับได้รถเก่งคันโก้ขับไม่เป็นเกิดอุบัติเหตุตอนหลังขับรถเก่งมาก ได้รถกระป๋องมีประโยชน์อะไรท่านฉะนั้นสิ่งที่ ส, สมบูรณ์นะเมื่อท่านเริ่มทำงานท่านสั่งสมประสบการณ์ไว้มีอำนาจอย่าให้ขาดความรู้ที่เหมาะสมกับตำแหนง่งมีอำนาจอย่าให้ขาด ประสบการณ์ก่อนขึ้นสู่อำนาจเนี่ยหาประสบการณ์ไว้ให้เยอะมิฉะนั้นแล้วนะครับท่านได้รับตำแหน่งเจ้าอาวาสตอนมีเจ้าอาวาสอยู่ก่อนเราแล้วเนี่ยเราเป็นผู้ช่วยอยู่ไม่เคยช่วยท่านเลยเราทำงานไม่เป็นพอสิ้นเจ้าอาวาส มังุมมังหาหาตกมาตายโทษใครท่านตอนเขามีเจ้าอาวาสอยู่คุ้มหัวเราเนี่ยเราก็ฝึกงานไปสิทำงานไปผิดพลาดอย่างไรก็ไม่มีใครว่าเพราะเจ้าอาวาสที่อยู่เหนือเราคอยปกป้องแต่ ถ้าเกิดว่าโอกาสที่จะฝึกงานปฏิบัติงานมันผ่านพ้นเราทำเต็มตัวนะ่ผิดพลาดอะไรเขาก็เล่นงานเราการที่ให้โอกาสท่านทั้งหลายไปปฏิบัติศาสนกิจยังไงเขาก็ทําใจว่าท่านกำลังทดลองปฏิบัติงานที่ผ่านมานะผิดพลาดอย่างไรมหาเจาลาก็ออกหน้ารับแทน แต่พอเขาให้ท่านเป็นเต็มตัวและหลังจากนี้แหละท่านลำไม่ดีโทษปีโทษกรองไม่ได้แล้วโทษมหาจุลาก็ไม่ได้โทษใครก็ไม่ได้รับเต็มเต็มฉะนั้นในขณะที่ท่านกำลังทดลองปฏิบัติงานเนี่ยหรือมาจนถึงจุดนี้เนี่ย มันเป็นโอกาสสะสมประสบการณ์สร้างตัวเองอย่างที่ขงจื้อเขาบอกว่าเยาห่วงไม่ว่าใครไม่รู้ว่าท่านเก่งหรือมีความสามารถหรือไม่ห่วงแต่ว่าสักวันหนึ่งเมื่อเขายกย่องท่านให้ตำแหน่งท่านท่านมีความเก่งและความสามารถสมกับที่เขายกย่องท่าน ให้ตำแหน่งท่านหรือเปล่าตอนนี้เรามีความรู้มีความสามารถเหมาะสมไหมมันก็จะมาถึงเรื่องเดิมที่ผมพูดไว้ถ้าคิดว่าเราจะทํางานที่สําคัญในชีวิตความรู้เราไม่พร้อมไปเรียนเพิ่มประสบการณ์เราไม่พร้อมหาประสบการณ์เพิ่มสร้างตัวเองขึ้นมา อย่าให้เป็นแบบท่านปรีดีพนมยงนะที่บอกว่าเมื่อมีอำนาจก็มักขาดประสบการณ์เมื่อมีประสบการณ์ก็มักไม่มีอำนาจเมื่อผมขึ้นมาเป็นอธิการบดีเนี่ยถ้าไม่มีความรู้ไม่มีประสบการณ์เหมาะสมสร้างมหาจุลาที่วังน้อยไม่ได้ท่าน ที่ท่านเห็นตรงนี้ทั้งหมดเนี่ยสร้างมาจากศูนย์เงินก็ไม่มีที่ตรงนี้เป็นทุ่งนาถมขึ้นมาสองเมตรใช้เงินเป็นพันๆล้านถ้าไม่ไปเป็นดักแด้ไปสั่งสมประสบการณ์มาทำการใหญ่ไม่ได้ ฉะนั้นถ้าท่านคิดจะช่วยสังคมช่วยอะไรก็ตามโดยเฉพาะในงานของคณะสงฆ์ท่านคิดว่าท่านจะช่วยในด้านไหนในหกด้านด้านการปกครองด้านาศนาสนศึกษาศึกษาสงเคราะห์ เผยแร่สาสนาปรปการสาธรณะสงเพราะ์และยิ่งมีการปฏิรูปในหกด้านเนี่ยเราจะมาเป็นส่วนช่วยในการขับเคลื่อนการปฏิรูปได้อย่างไรความรู้ประสบการณ์ท่านเพียงพอหรือไม่ในหกด้านเนี่ยท่านเวลาที่ท่านจะเข้าไปทำงาน ท่านวิเคราะห์ตัวท่านเอง ก, ก่อนว่าท่านถนัดด้านไหนในหกด้านเนี่ยผมเรียกว่าสวสัตแอนลิซิสสวสัตอนลิซิสนี่คือเราวิเคราะห์ตัวเราเองไม่ว่าท่านจะเรียนหรือจะทำงาน เวลาที่ท่านมาอยู่ตรงนี้เนี่ยสัมมนากันเนี่ยเขาต้องการให้ท่านทำซอส a อนลิซิสมองย้อนกลับไปสู่งานที่ท่านทำที่ผ่านมาหนึ่งปีหรือมองชีวิตที่ผ่านมาของท่านว่าท่านมีจุดเด่นจุดแข็งตรงไหนเมื่อท่านไปบริบาติาสานกิจเนี่ยที่ผ่านมาเนี่ย เวลาที่ฝ่ายกิจการนิสิตเขาถามเนี่ยเขาถามความพร้อมลงสู่สนามนี่ท่านพร้อมไหมความรู้ความสามารถพร้อมไหมถ้าความรู้ความสามารถพร้อมทำได้ฉลุยเรียกว่าท่านมีจุดแข็งมีสเตรงท์แต่ถ้าเกิดว่าที่ผ่านมานี่ไม่รู้เรื่องรู้ราวอะไรเลยเขาจับส่งไปเกือบตายอ่ะ ให้เทศเนี่ยคุณธรรมารเทศตลอดอย่างนี้สมมติปไปเผยแพ่แต่เราเทศไม่เป็นเนี่ยเรามีจุดด้อยวิ n e s s ท่านก็มาพูดเพราะฉะนั้นคนเรานี่ไม่ใช่ว่าจะมีจุดเด่นจุดด้อยกันตลอดมันอยู่ว่าท่านไปอยู่เวทีไหนเวลาไปปฏิบัติศาสน ก, กิจเนี่ยที่เขาให้ท่านทำโครงการก่อนเนี่ยท่านรู้หรือไม่ว่า เวลาท่านจะลงไปสู่ตรงนั้นท่านรู้ล่วงหน้าก่อนไหมเขาต้องการความรู้ทักษะเรื่องอะไรตรงกับที่ท่านมีหรือไม่และถ้าเกิดมันไม่ตรงคือท่านไม่มีท่านมีจุดอ่อนจุดอ่อนสําหรบบตรงนั้นนะแต่ถ้าท่านไปเลือกอีกที่หนึ่งกลายเป็นว่าท่านมีจุดแข็งทำได้สำเร็จ คนเรามันไม่ได้มีจุดอ่อนจุดแข็งประจําหรอกท่านมันอยู่ที่ว่าท่านเขาให้ท่านทําอะไรทําไมบางคนเนี่ยเขาเรียกว่าขึ้นเร็วเคยได้ยินประโยคนี้ไหมสถานการณ์สร้างวีรบุรุษสถานการณ์มันสร้างวีรบุรุษ เพราะว่าในจุดหนึ่งของประวัติศาสตร์เนี่ยมันเกิดวิกฤตแล้วต้องได้อัศวินขี่ม้าขาวมาช่วยมากรอบกู้และให้บังเอิญว่าเราเนี่ยมีความรู้มีความสามารถที่เขากําลังต้องการที่เขากําลังขาดเพราะเราไปเท่านั้นน่ยมันไปสวมเลยนะทะน่านนะเรากลายเป็นวีรบุรุษทันที ท่านเจอสถานการณ์นี้บ้างไหมถ้าเจอในสถานการณ์อย่างนี้เขาเรียกว่าโอกาสโอกาสสร้างวีรบุรุษแต่ถ้าเกิดว่าท่านมีความรู้มีความสามารถไปตกอยู่ในวัดที่เขาไม่ต้องการคนอย่างท่านจะอาวาดก็บีบห้ามแสดงออกสมมติว่าท่านเป็นนักเทศน์นักพูดโยมก็ไม่มีจะฟัง สนใจแต่เรื่องอะไรก็ไม่รู้ท่านเจออุปสรรคเพราะเจออุปสรรคนี่ขึ้นไม่ได้ท่านเขาเรียกว่าอยู่ผิดยุคเป็นคนดีที่โลกไม่ต้องการฉะนั้นลองวิเคราะห์ตัวท่านเองในรอบหนึ่งปีที่ผ่านมาเนี่ย เราเรียนจบคณะนี้ไปแล้วไปทํางานตรงนี้ตรงนี้เนี่ยมันตรงพอดีไหมหรือประสบการณ์ที่เราฝึกฝนในกิจกรรมชมรมเนี่ยพอเราไปอยู่ตรงนั้นเนี่ยเราได้ใช้หรือมันตรงกันข้ามเมื่อผมเรียนจบปริญญาเอกมามาทํางานที่นี่อยู่ เจ้าวาดวัดผมที่ผมอยู่เนี่ยส่งผมไปเป็นธรรมทูต ท, ที่สหรัฐอเมริกาผมไม่รู้เรื่องเลยเตะโดงผมไปดูโดยที่เราไม่รู้เรื่องเรื่องก็เข้ามอสอทั้งที่ผมยังสอนอยู่มหาจุฬาให้ไปปฏิบัติศาสนกิจต่างประเทศโดยที่ ผมไม่ได้เซ็นอะไรสักแก๊กเดียวท่านพอไปถึงที่อเมริกาที่วัดนั้นรุ่นพี่ที่อยู่มหาจุฬามดดาด่าผมมาทำไมผมบอกผมไม่ได้อยากจะมาเจ้าวาดเขาส่งมาเจ้าว่าดที่วัดผมอยู่กับเลขาส่งผมไปแต่เมื่อเข้ามอสอแล้วผมก็จะต้องมาสักสองสาเดือน เขาบอกว่าทำไมท่านไม่ทำงานอยู่มหาจุฬาผมบอกเมื่อจเจ้าว่าท่านเซ็นอย่างนี้ให้ผมมาผมก็ต้องมาเขาทะเลาะกันท่านในวัดที่เราลงไปเนี่ยแบ่งออกเป็นก๊กเป็นฝากเป็นฝา่ายตั้งโรงเรียนเด็กสอนพุทธศาสนาวันอาทิตย์ขึ้นมา มีพระสอนโอ้โหคนติดเกลียวเลยเด็กๆมาเรียนกันมากผู้ปกครองชอบแล้วพระที่เป็นคนสอนเนี่ยทะเลาะกับเจ้าอาวาสที่วัดที่เราไปแยกไปตั้งวดัดดึงนักเรียนไปหมดเลยท่านโรงเรียนล้มเขาก็ส่งผมไปเพื่อไปฟื้นโรงเรียน ฟื้นโรงเรียนสอนเด็กที่มันล้มเพราะว่าคนก่อนเนี่ยเขาดึงไปหมดอ่ะเพราะผมไปเห็นผมก็รู้เลยพระไหนก็สอนไม่ได้ฟื้นไม่ได้เพราะอะไรเด็กที่เติบโตที่โน่นถึงจะเป็นเด็กไทยพูดภาษาไทยไม่ได้พูดได้แต่ภาษาอังกฤษ สอนธรรมะพระไทยที่อยู่ที่นู่นตั้งหลายรูปเนี่ยสอนธรรมะเป็นภาษาไทยเด็กไม่เก็ตไม่เข้าใจเขาก็มีเรียนไปเขาก็ตามพระอาจารย์ที่พูดภาษาอังกฤษได้สอนเป็นภาษาอังกฤษได้ไปอยู่วัดอื่นหมดเพราะฉะนั้นใครที่อยากจะให้เด็กสนใจมาเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์ต้องสอนเป็นภาษาอังกฤษ ให้เด็กรู้เรื่องผมก็ถามตัวผมเองว่าความรู้ผมเหมาะสมไหมทำได้ไหมมันไม่ใช่สอนอย่างเดียวนะเด็กพูดภาษาอังกฤษเป็นแบบทัาเนียอเมริกันเราฟังออกไหมไหลายๆอย่างท่านเดือนแรกนี่มึนมากๆเลยกว่าจะ กำหนดวิธีการอะไรต่างๆเนี่ยสอนปกติเขาเรียนภาคเช้าสามชั่วโมงปรากฏว่าเด็กโตก็อยากเรียนพอผ่านไปหนึ่งเดือนอยากให้ผมสอนสอนตั้ง4ี่คาบทุกชั้นเลยท่านสอนเป็นภาษาอังกฤษนี่แหละสอนธรรมะเป็นภาษาอังกฤษเด็กชอบท่านฟื้นโรงเรียนขึ้นมา สถานการณ์โอกาสทำให้ผมใช้ความสามารถแต่เราเข้าไปโดยที่เราไม่รู้เนื้อรู้ตัวพอสามเดือนผมขอกลับมาทำงานที่มหาเจารสลาดเหมือนเดิมไหนๆส่งไปแล้วผมก็ไปทำให้ฟื้นกลับมาให้ผมก็เลยกลายเป็นพระธรรมทูตต่างประเทศโดยจำเป็นตั้งแต่นั้นมา แต่ถ้าความรู้ความสามารถเราไม่พร้อมเราก็จมตายอยู่ตรงนั้นแหละท่านเมื่อเมื่อผมกลับจากอเมริกาผมมาแวที่ญี่ปุ่นไปพบอาจารย์กุเทพใสกระจ่างตอนนั้นไปทำงาน NHK อยู่ที่ญี่ปุ่นไปคุยกัน ว่าคนที่มีความรู้ความสามารถอย่างผมเนี่ยควรจะทํางานที่ไหนที่วัดเขาก็เมื่ออยากให้เราทําไม่งั้นเขก็ไม่ส่งเราไปโน่นหรอหรือจะไปทํางานนอกวัดหรือจะไปทําที่ไหนคุยกันไปคุยกันมาในที่สุดก็ค้นพบตัวเองว่าจากที่เราไปพิสูจน์ ไปเจออุปสรรคอะไรต่างเนี่ยในคณะสงฆ์ที่ที่เราจะอยู่และทำงานได้สำหรับคนที่มีความรู้เนี่ยมันต้องที่มหาวิทยาลัยสงฆ์มหาวิทยาลัยสงฆ์คือมหาจุราในสมัยนั้นเนี่ยรัฐบาลไม่รับรองท่านอยู่ที่วัดมหาธาตุ เพื่อนๆที่อยากจะเจริญเติบโตในคณะสงฆ์ออกไปหมดเขาเรียกสมองไหลออกไปเป็นเจ้าขุนอยู่ตามวัดอยู่ในมหาชยลาไม่มีสมณศรรักดิ์หรอกเพื่อนผมเป็นคณะบดีต้องออกตามคำสั่งเจ้าวาดไปอยู่รูน ون, อายุโล มหาจุฬาเป็นอย่างนั้นถ้าหวังอะไรไม่ได้หรอกแต่ถ้าอยากทำงานทำเขาเรียกโอกาสผมก็ทำงานที่มหาจุฬาจนเปลี่ยนสภาพบรรยากาศมาจนปัจจุบันมีพรบ และมีระบบสมณศักดิ์ให้พวกท่านด้วยมันเปลี่ยนไปหมดแล้วทำงานมหาจุลาก็มีสายสมณศักดิ์ที่มหาเทียนมาคมท่านให้เราซึ่งมันต่างจากในยุคที่ผมเข้ามาทำงานต้องมาต่อสู้ต้องมาทำอะไรจนกว่าจะมาถึงวันนี้ จากไม่มีที่ทำงานก็มาสร้างตรงนี้ทั้งหมดเนี่ยสร้างใหม่หมดเลยในทุ่งเนี่ยถามท่านทั้งหลายว่าถ้าเราคิดจะเปลี่ยนแปลงปรับปรุงเนี่ยอาจจะไม่ต้องระบบใหญ่มากหรอกแต่มันจะเป็นฟันเฟืองที่กระตุ้นให้เกิดการเปลี่ยนแปลงท่านคิดว่าจะทำอะไร ท่านมีจุดเด่นตรงไหนอะไรคือจุดด้อยที่ท่านคิดว่าจะต้องแก้ไขมันมีโอกาสไหมและมันมีอุปสรรคัหมโอกาสตอนนี้คือการปฏิรูปคณะสงฆ์ในยุคที่ท่านเข้ามาโอกาสตอนนี้คือมหาจุลาเนี่ยมีความพร้อมทุกอย่างมีการสนับสนุนให้ท่านทำงาน แม้จะทํางานในมหาจุฬ า, าหรือในเครือข่ายก็ตามผมไม่ได้ทํางานเฉพาะในมหาจุฬ า, าผมก็ทํางานให้คณะสงฆ์จากที่ท่านทั้งหลายทราบเขาเรียกโอกาสและเมื่อท่านมีโอกาสเนี่ยท่านจะใช้ความรู้ความสามารถที่เป็นจุดเด่นทํางานต่อไปอย่างไร ตอนนี้ในเรื่องของการปฏิรูปนะครับเอาเริ่มตั้งแต่ด้านการปกครองการปกครองเนี่ยถ้าท่านดูถามว่าตัวท่านทั้งหลายเองเนี่ยอยู่ในสายการปกครองไหมในวัดของท่านเนี่ยมันมีโอกาสไหมเจ้านายเจ้าอาวาสเนี่ยเาเขาอยู่ในสายนี้หรือเปล่า ถ้าอยู่ในสายของการปกครองแล้วท่านจะไปทำงานปฏิรูปการปกครองเนี่ยมันต้องเกาะกระแสอยู่ในมหาจุฬาเขาก็ไปเป็นคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปทุกวันนี้เขาก็ททำกันอยู่ไปอยู่ในตรงนั้นเนี่ยเมื่อวานเมื่อวานนี้มหาเถรมะมาคมก็มีมตินอกรอบนะครับว่า จะมีการประชุมใหญ่เรื่องการปฏิรูปในเดือนพฤษภาคมท่านก็คอยติดตามดูว่าเราจ ะ, ะแถลงกันเรื่องอะไรบ้างผมนี่เราจะเป็นคนแถลงโดยการมอบหมายด้านศาสนาศึกษาท่านอยู่ในสำนักเรียนบาลีสำนักเรียนปริศติธรรมพระเอกสา ม, มัญ หรือว่าท่านอยู่ในมหาจุฬาท่านจะช่วยไปขับเคลื่อนตรงนั้นได้อย่างไราศาสนาศึกษาศึกษาสงเคราะห์ศึกษาสงเคราะห์ะนั้นเป็นเรื่องของการตั้งโรงเรียนการกุศลของวัดตอนนี้อยากจะเห็นเรื่องการยกเครื่องโรงเรียนพุทธนาวาณทิตยอยากจะทำหลักสูตร ทำอะไรให้มันเข้าท่ากว่านี้เรากินบุญเก่ามานานแล้วไม่มีการขยับขยื่นปรับปรุงปฏิรูปโรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์ทำหลักสูตรทำอะไรต่างๆทำกิจกรรมใหม่ถ้าอยู่ในมหาจุฬานี่เขามีการสร้างสํานักงานขึ้นอันนั้นมันเป็นฮาร์ดแวร์ซอฟแวร์นี่คืออย่างไรอยากเห็น ในเรื่องของเผยแผ่เผยแผ่ได้รับการท้าทายมากท่านในยุคประเทศไทย 4.0 ที่เขาใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ในการเผรยแผ่กันทั่วโลกเราอยู่ในมหาจุฬาเนี่ยมีโอกาสที่จะเรียนรู้เรื่องคอมพิวเตอร์เรื่องอะไรต่างๆเราจะใช้ประโยชน์จากคอมพิวเตอร์จากซอฟต์แวร์จาก อะไรต่างๆพวกนี้แทนที่ท่านจะเขียนหนังสือนะสมัยสมัยผมเนี่ยนะเขียนหนังสือแล้วยังไม่รู้ใครจะพิมพ์ให้เลยไม่รู้ใครจะมาลงทุนพิมพ์ให้ท่านหมื่นสองหมื่นสามื่นก็ไม่มีปัญญาแต่เดี๋ยวนี้ไม่ต้องเสียสักบาทเดียวถ้าท่านเขียนหนังสือเข้าอ e ีบุ๊กเลยท่าน วางไว้ในเว็บไซต์ของวัดไหนก็ได้มหาจุฬาก็ได้ให้คนเขาอ่านอยากจะเป็นนักเทศหรือท่านแค่มีบันทึกนี่ขึ้นไว้ในเว็บไซต์เป็นวิดีโอออนดีมาน์ไม่ต้องเสียสตังค์ทุกวันนี้เวลาผมเทศบรรพะเนี่ย8คดคำส5คห้าคำในฐ า, า, านะเจ้าวาด กล้องก็จะมาตั้งไว้ถ่ายทอดสดท่านเรียลไทม์เลยคนก็ตามเข้ามาชมอยู่อยู่ในห้องที่เห็นหน้ากันไม่กี่ร้อยคนร้อยสองร้อยคนแต่คนดูกันเป็นพันเป็นหมืน่นพร้อมๆกันเนี่ยท่านจึงกลายเป็นว่าเวลาผมจะเทศจะบรรยายมันจะต้องเตรียมตัว การเผยแผ่มันมีผลที่โดนกระทบจากสื่อสมัยใหม่และท่านทั้งหลายอยากจะเป็นนักวิชาการนักเขียนก็แบบเดียวกันมันไม่ยากเมื่อสมัยก่อนสาธารณูปการสมมุติว่าท่านอยากจะเริ่มในยุคปฏิรูปนี่นะเริ่มสร้างวัดใหม่มันก็เป็นไปได้ท่าน เรียนจบแล้วเนี่ยนะถ้าท่านอยากจะทดลองงานในาศาสนาในด้านการบริหารในด้านสรุปการปกครองและก่อสร้างเนี่เป็นเจ้าวาดท่านวัดใหม่ๆเยอะเลยในเขตปกครองผมเนี่ยภาคสองเนี่ยนะอุทยาสระบุรีอ่างทองเนี่ยอยากได้เจ้าวาดที่มีความรู้ ไปช่วยในเรื่องของการบริหารการก่อสร้างหลวงพ่อปัญญาอนันทะครับตอนที่ท่านจะรับเป็นเจ้าวาดเนี่ยท่านมีเงื่อนไขวัดไหนเป็นวัดใหญ่ไม่เป็นเจ้าวาดถ้ามีเป็นพระอารามหลวงวัดใหญ่มีพระยุะ เปลี่ยนแปลงอะไรไม่ได้ปฏิรูปไม่ได้เพราะมีเจ้าที่เยอะท่านไม่เป็นวัดที่จะต้องสร้างสาเสนาสนะใหม่เยอะๆท่านก็ไม่เป็นอีกเพราะมันเสียเวลาเทศหนึ่งวัดที่พร้อมอยู่แล้วสร้างให้พร้อมสองพระไม่เยอะมาก เอาพวกเพื่อนร่วมอุดมการเดียวกันมาอยู่แล้วก็เผยแร่เผยแผ่แผนวความคิดเดียวกันทำงานร่วมกันเป็นทีมเริ่มใหม่ท่านรับก็พอดีโอกาสมา ถ, ถึงครับ opportunity กรมชนประธานเนี่ยสร้างวัดใหม่ขึ้นเสนอาสนะ ก, ก็สร้างให้พร้อมอธิบดีก็นิมนต์หลวงพ่อปรรนนัญญาณันทะตอนนั้นอยู่ที่วัดอุโมงค์เชียงใหม่ มาเป็นเจ้าอาวาสท่านมาดูแล้วไม่ต้องสร้างอะไรมากเผยแผ่เป็นหลักตามอุดมการพระที่อยู่ก็เราเลือกมาเอาร่วมแนวคิดเดียวกันทำงานร่วมกันเกิดวัดชนประธานลังสลิดเมื่อพศ2500นะท่านแล้วท่านก็ปฏิรูปทุกอย่างเลยจากที่ ไม่มีการเทศการบรรยายท่านก็ทุกกิจกรรมต้องมีเทศมีบรรยายแม้กระทั่งสวดศพก็ต้องฟังเทศอย่างนี้เป็นต้นนะท่านทําวางระบบของท่านใหม่เลยเป็นการปฏิรูปแม้กระทั่งการก่อสร้างการอะไรแต่ท่านก็มีป่ามีอะไรผสมกันอยู่ในนั้นเริ่มใหม่ท่านฉะนั้น ในเรื่องสาธารณูปการเรื่องสาธารณสมาะห์อยากจะไปช่วยอยากจะทำอะไรอย่างไรโอกาสมันมาถึงผมสรุปในเรื่องของการทำงานในเรื่องนโยบายต่างๆเนี่ย ต่อไปนี้ท่านจะทำอะไรให้ประสบความสาเร็จเนี่ยผมใช้คำห้าคำท่านหนึ่งตกปลานอกบ้านสองประสานสิบทิศสามผูกมิตรทั่วล่าสี่บริหารปัญญาห้าสาริกาป้อนเหยื่อไม่ว่าท่านไปทำงานที่ไหนอย่างไรก็ตามตกปลานอกบ้าน ประสานสิบทิศนับจากนี้ไปเนี่ยนะผูกมิดทั่วล่าบริหารปัญญาสาริกาป้อนเหยื่อคำว่าตกปลานอกบ้านเนี่ยนโยบายนี้เนี่ยในการปฏิบัติศาสน ก, กิจก็ดีในการทํางานปฏิรูปก็ต่ำถ้าเราเอาคนที่คิดคิดเหมือนกันเนี่ยมาช่วยกันทํางานมันจะออกเป็นแบบเดียวกันหมดแต่ถ้าเราเอาคนที่คิดตะ มีที่มาที่ไปต่างกับเราเนี่ยเขาจะให้ความคิดที่แตกต่างเมื่อเราเริ่มทำอะไรก็ตามท่านเคยคิดไหมว่าจะเอาใครมาช่วยแล้วคนที่อยู่ในในสายเดียวกันกับท่านเนี่ยช่วยได้ไหม เมื่อผมทำงานมหาจุฬาเนี่ยท่านนะผมจะออกไปสอนตอนเริ่มทำงานผมจะออกไปสอนไปเทศไปอะไรต่างๆตามมหาวิทยาลัยตามสถานที่ต่างๆแล้วผมก็จะไปดูว่ามีใครเก่งอยู่ที่ไหนแล้วก็เอาเบอร์โทรศัพท์เอาอะไรต่างๆของเขาไว้ในขณะที่ผมออกไปเนี่ย เหมือนกับไปหาคนมาช่วยเหมือนกับเราตกปลาแทนที่จะตกปลาอยู่ในบ้านเราไปตกปลานอกบ้านแล้วเอามาใช้ท่านไปเทศไปสอนไปอะไรที่ไหนก็ตามดูคนเก่งๆไว้แล้วถึงเวลาก็เรียกเขามาใช้ผมนึกถึงหลวงพ่อชาวัดหนองป่าพง ตอนส่งท่านโซเมโทไปอยู่อังกฤษท่านโซเมโตก็ถามว่าจะต้องบินธบาตไหมไปอยู่อังกฤษเนะี่ยจะต้องออกบินธบาตไหมหลวงพ่อชาบอกบินออกบินธบาตเถอะเอา้าไม่มีใครใส่บาตน่ะหลวงพ่อแล้วบินทำไมหลวงพ่อชาก็บอกว่าบินเอาคนไม่ใช่บินเอาข้าว บินเอาคนไม่ใช่บินเอาข้าวไปให้เขาเห็นว่ามีพระมีโอกาสก็สนทนาธรรมมีอะไรต่างๆแล้วเดี๋ยวคนมันจะมาที่วัดเราก็สอนเขาได้ท่านโซเมโธก็ทำแบบนั้นเนยบินผบาทแล้วก็ไปเจอฝรั่งที่วิ่งจ็อกกิ้งตอนเช้าทุกวันได้ทักทายกันในที่สุดฝรั่งตามมาที่วัดแล้วมาบอกว่าผมมีที่ดิน อยากจะถวายให้ท่านไปสร้างวัดถ้าอยู่แต่ในวัดก็ไม่ได้ขยายสาขาเลยท่านฝรั่งไม่ได้นับถือพุทธศาสนานะแต่เห็นแล้วปฏิบัติานแล้วชื่นใจพอใจตกปลานอกบ้านเราไม่เก่งเรื่องคอมพิวเตอร์ท่านผมไปเห็นพระในอเมริกามากมายไม่เก่งเครื่องคอมพิวเตอร์หรอก แต่ได้ญาติโยมคนไทยที่ไปทำงานอยู่ในบริษัทคอมพิวเตอร์เนี่ยมาช่วยวางโปรแกรมช่วยทำงานตกปลาน อ, อกบ้านเอาคนเก่งในแต่ละเรื่องมาใช้ในการจัดงานวิสาขาบูชาโลกเนี่ยถ้าท่านมาดูงานนะคนทั่วโลกมาช่วยภาษาจีน ก็ต้องมีคนที่เป็นล่ามภาษาจีนภาษาอังกฤษภาษาฝรั่งเศสมีวลเนเทียมีอาสาสมัครมามาจากมหาวิทยาลัยต่างๆมาช่วยกันเราผลิตไม่ไม่ทันตกปลานอกบ้านจัดงานระดับโลกนี่มีคนเก่งๆทั่วโลกมาช่วยท่านผมไม่ต้องเหนื่อยมาก เดี๋ยวเดือนเดือนพฤษภาเนี่เราก็จัดตกปลานอกบ้านคนทั่วโลกมาช่วยกันผมนึกถึงประโยคหนึ่งของคุณธนินเจรวนนท์ประธานบริษัทซีพีครับคุณธนินบอกว่าที่ซีพีเจริญเติบโตจนร่ำรวยมั่งคั่งมากเนี่ยถือคติสองประการ หนึ่งคนสินค้าทั่วโลกเป็นของซ p พสองคนเก่งทั่วโลกเป็นของซ p พที่ว่าสินค้าทั่วโลกเป็นของซ p พเนี่ยหมายถึงว่า สินค้าไหนก็ตามที่บริษัทอื่นผลิตแล้วคุณภาพดีกว่าเราไม่ต้องไปผลิตแข่งซื้อเอามาวางขายอย่างเซเนอิเของเขานะครับเอามาเข้า7ซเวนเลยโอท็อปที่ไหนทําสินค้าดีเอามาเข้า7ซ น, ส, นาา 7. สินค้าทั่วโลกเป็นของซพีคนเก่งทั่วโลกเป็นของ C พี คนเก่งอยู่ที่ไหนรีค루ตเอามาช่วยงานเอามาทำงานในบริษัทเขาบางทีเนี่ยนะครับให้ทุนตั้งแต่เป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยเลยอย่างคุณกอศักดิ e o ของ 7-Eleven เนี่ยกอศักดิ์ชัยรัศมีศักดิ์ดูแล 7-Eleven ทั่วประเทศผมถามว่ามาทำงาน CP ตั้งแต่เมื่อไหร่เขาบอกว่าตั้งแต่เป็นนักศึกษาธรรมศาสตร์แล้วก็มาฝึกงาน พอจบเขาก็ชวนเขามาทํางานใครเก่งเอามาตกปลานอกบ้านประสานสิบทิศเวลาที่ท่านทํางานท่านอย่าทำงานคนเดียวเวลาไปปฏิบัติศาสน ก, กิจประสบการณ์ของท่านก็บอกอยู่แล้วว่าต้องดึงเอาราชการเอาหลายๆฝ่ายมาช่วยทํางานประสานสิบทิศ ถ้าในคณะสงฆ์เราใช้หลักบรวรท่านบ้านวัดราชการจัดงานอะไรก็ตามเนี่ยชุมชนก็ต้องมาช่วยวัดก็มาช่วยราชการก็มาช่วยผมจัดงานที่วัดไปอยู่ในฐานะเจ้าวาดเนี่ยแค่ซ่อมเจดีย์หลังนี้ท่าน เอาทุกฝ่ายมาช่วยทั้งบ้านคือชุมชนช่วยกันบริจาคบริษัทต่างๆวัดกําหนดควบคุมศาสนสถานโบสถ์คริสอะไรต่างมาช่วยหมดเลยราชาการคือกรมศิลปากรมาออกแบบให้เราไม่มีความรู้นี่ท่านตกปลานอกบ้านเอากรมศิลปากรออกแบบเอาสถาบันเทคโนโลยีเจ้าคุณทหารราชบังมาช่วยกันออกแบบช่วยกันคุมการก่อสร้าง ท่านลองดูซิว่าพอเราทำเสร็จเนี่ยเจดีย์ JD เป็นอย่างนี้แล้วก็มีการซ่อมแกนกลางท่านในเจดีย์มีแกนกลางซึ่งไม่มีปัญญาซ่อมเลยครับอยู่มาเป็นร้อยร้อยปีซ่อมไม่ได้ได้เทคโนโลยีสมัยใหม่ ได้กรมสินมาช่วยซ่อมโดยไม่ต้องลื้อเลยหนัก144ตันมันหักที่โครนเนี่ยจนได้รางวัลยอดเยี่ยมอันดับหนึ่งยูเนสโกท่านอวอร์ดเอาเอ็กซ์แลนซประเทศไทยได้แค่รางวัลเดียวเท่านั้นก่อนหน้านี้ก็ไม่เคยได้หลังจากนี้หลังจากที่ผมได้ก็ยังไม่มีใครได้อันดับหนึ่งจากยูเนสโกมีตรายูเนสโกเลย ที่วัดน่ยนะที่ผมเป็นเจ้าวัดตกปลานอกบ้านประสานสิบทิศผูกมิดทั่วราบริหารปัญญาท่านไปทำงานที่ใดก็ตามบริหารปัญญาก็คือใช้ความรู้ความสามารถของคนทั้งหลายมาช่วยกันผูกมิดใครก็มาช่วยเรา บริหารปัญญาหมายถึงเก็บสะสมความรู้เรียนเอาไว้นะครับอย่างที่ท่านเรียนเนี่ยอยากจะพูดอยากจะเทศไทรเทศดีๆเก็บตำราเขาไว้แล้วเราเอามาใช้เราจะไปสอนคนไหนที่เขาสอนดีเราเอาตำราเขามาดูอยากจะไปก่อสร้างเราไม่มีความรู้ก็เอาผู้เชี่ยวชาญด้านนี้มาช่วยก่อสร้างตั้งแต่ปกครองมาเลยครับปกครองศึกษาเผยแพ่ สารุปการสารณาสงเคราะห์ใครเก่งด้านไหนดูวิธีทำงานเขาเหมือนซ p พีทำท่านอย่าไปนึกว่าเราเก่งแล้วฟังอ่านบันทึกดูงานแล้วจะทำงานในพระศาสนาได้อย่างดีครับเพราะมันไม่มีใครเก่งไปทุกเรื่องผมบริหารวัดในรางวัลยูเนสโกผมไม่ได้เก่งทั้งหมด แต่ผมใช้นโยบายที่ว่าเนี่ยเอาคนเก่งมาช่วยประสานสิบทิศบริหารปัญญาก็คือปัญญานี่เราต้องบริหารนะท่านความรู้เนี่ยเพราะมันกระจัดกระจายอยู่ทุกที่คนนี้ก็เก่งเรื่องนี้คนนี้ก็เก่งเรื่องนี้ท่านลองนั่งฟังคนเก่งดิปรึกษาเรื่องเดียวกันเนี่ยถ้าฟังแล้วบางทีเนี่ยปวดหัวตาย เพราะเราตัดสินใจไม่ได้อย่างเช่นแกนกลางเจดีผมเนี่ยมันเป็นโพรงเนี่ยสูง20สเมตรมีแกนกลางหนักร้4สี่ตันนหินมันหักเนี่ยแค่จะเอาคืนตั้งดังเดิมนี่ทำยังไงท่านโคนมันหักแล้วไปพิงพิงผนังให้ท่านดู ที่หักไม่เห็นเอาเป็นว่ากลับมาใหม่เนี่ยไปปรึกษาสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารล ก, กระบังแกนข้างในเนี่ยมันหักพิงผนังโคนมันหักหนักร้อยสี่บสี่ตันมันหนักมากมันในที่แคบเนี่ยยกไม่ได้ เขาให้ลื้ออิฐแต่ละก้อนเนี่ยเขาออกแบบเลยนะแรกกระ บ, บังเขาบอกว่าลื้ออิฐแต่ละก้อนแล้วมาก่อใหม่แล้วใช้เหล็กดามนี่ฟังแรกกระ บ, บังเจ้าคุณทหารแรกกระ บ, บังเขาแนะนำทางสถาปัตย์วิศวะสถาปัตย์เขาแนะนำอย่างนั้นพอผมไปปรึกษากรมศิลปกรกรมศิลปกรบอ ก, บอกไม่ได้ท่านห้ามทำ เพราะว่าแกนกลางแบบนี้มีแห่งเดียวเหลืออยู่ในประเทศไทยเจดี JD สมัยก่อนทึบตันไม่มีโพรงเอาอิดเอาเหินเอาดินอสา์ใส่เข้าไปเต็มหมดแต่ที่นี่มีที่เดียวที่มีมแกนกลางมีโพรงเข้าไปได้ให้อนุรักษ์เอาไว้แล้วห้ามรือ้อยุ่งหรืไหมหรื้อก็ไม่ได้แตะก็ไม่ได้ ผมก็ถามกรมศิลป์ว่าแล้วจะทำยังไงผมไม่มีความรู้นี่เขาบอกเอาแม่แรงมายกที่มันพิงกันอย่างเงี้ยแม่แรงยกตั้งตรงผมก็ถามว่าแล้วกรมศิลป์เคยทําที่ไหนไหมไม่เคยอ่ะแล้วจะทําได้เหรอไม่รู้สิก็ไปหาแม่แรงนะท่านนะ ยกยกนี่สี่ตัวแต่ละตัวยกน้ำหนักได้ส0สบตันสี่สาสองไม่พอเพราะมันหนักร้อยสสตันเขาก็ออกแบบให้ไยดึงอีกดึงสองตัวตัวละห้าสิตันเป็นร้อตันก็สองตันอ้พอฝายหนึ่งดึงฝายหนึ่ง ยกเขาออกแบบมาก่อนผมก็ถามว่าแล้วถ้าเกิดไอ้ฝ่ายดึงมันดึงแรงไปหรือยกแรงไปเสาแกงกลางมันสวิงไปอีกด้านหนึ่งมันไม่แทงกไม่แทงผนังเจดีทะลุไปหมดเหรอเขาก็บอกว่าไม่รับประกันท่านสวดมนต์เอากันลวกันเนี่ย แล้วเราจะต้องมาเสี่ยงเหรอผมก็ไม่เอาอีกผมตีกลับผมบอกว่าพวกคุณไปคิดกันนะว่าทำอย่างไรถ้ามันสวิงมีอีกด้านหนึ่งแล้วผนังเจดีจะไม่พังไปออกแบบมาปรึกษาใครก็ได้หายไปครึ่งปีท่านกลับมาได้แล้ว สร้างหนึ่งเทปูนข้างล่างนะท่านนะล้อมเลยแล้วก็ปักเหล็กลงไปทํานั่งร้านเหมือนทําคอกล้อมเลยนะล้อมแกงกลางเนี่ยถ้ามันสวิงมาจะมีล่างนั่งร้านเหล็กเนี่ยคอยรับไม่พังเจดีไม่พั ง, J D ม ผ, งผมบอกถ้าอย่างนี้ใช้ได้เฉพาะออกแบบกันเนี่ยเป็นปีนะท่านเป็นปี เพราะฉะนั้นการที่เราออกแบบทำอะไรกันนี้มันมีรายละเอียดที่เราเก็บไว้หมดพอชี้แจงไปที่ยูเนสโกขาให้รางวัลยอดเยี่ยมันดับหนึ่งเพราะไม่ได้ไม่ได้ทำอะไรสุมสี่สุมห้าตกปลานอกบ้านประสานสิบทิศผูกมิตรทั่วลกบริหารปัญญาใช้ปัญญาของคนอื่นมาช่วยในยามอับจนลำพังผมคนเดียวผมคิดไม่ได้ ในการที่ท่านจะเป็นนักพูดนักเทศเนี่ยท่านไปดูตำรับตำลาของคนอื่นที่เขาเคยพูดเคยเทศในเรื่องเดียวกันไว้ในการที่ท่านจะทํางานอะไรก็ตามศึกษาการณีที่เขาทําวิจัยเอาไว้เขาเคยทํามาก่อนถ้าย้อนเวลาได้ใหม่ใช่ไหมท่านคงจะนึกก่อนเราจะลงไปหมู่บ้านนี้พื้นที่ปฏิวัศรษฐกิจเราจะหาข้อมูลให้มากเขาไว้ แล้วเราจะทำดีกว่าที่เราทำมาหนึ่งปีที่ผ่านมามันน่าเสียดายที่ว่าเรามางมมาหาราเดินก็ไปในความมืดแล้วค่อยมาเล่าให้ที่ประชุมนี้ฟังแต่ถ้าหากว่าเราทำแผนที่เราเดินทางให้ลุ่น้องไว้เนี่ยมันจะง่ายขึ้นทุกๆปีแต่จะต้องลงไปในที่เดิมนะท่านความสืบเนื่องเนี่ยต่อให้ท่านเอาองค์ความรู้มาสัมมนากันเรไ่อย แต่มันคนละที่กันมันคนละอย่างท่านมันถึงความรู้มันถึงไม่พอกพูนไงมีแต่เปเปอร์เนี่ยกองพนินทันทึกแต่ผู้ปฏิบัติสาระเกจรุ่นใหม่ก็เดินเข้าไปสู่ที่ใหม่โดยไม่ได้ประสบการ์พวกท่านเนี่ยสมมุติว่าท่านลงไปที่วัดกอนี่สิแล้วใครจะมาต่อแล้วท่านก็นบอกว่านี่มันมีอย่างงี้อย่างนี้นะไอ้คนที่มาใหม่เนี่ยมันง่ายท่านมันจะเป็นการจัดการความรู้ เป็นเคอมที่ดีผมพานิสิทธิ์ปฏิบัติสารสนกิขึ้นดอยปีละสี่สิบรูปท่านพาไปเองไปส่งก็มีไปตรวจเยี่ยมก็มีบนดอยที่เชียงรายแม่ห่องสอนเชียงใหม่ที่ไหนที่ไปเริ่มบุกเบิกใหม่นะท่านลำบากมากมาก แล้วรุ่นพี่ไม่ส่งต่อรุ่นน้องเนี่ยไปเยี่ยมใหม่ก็เริ่มใหม่อยู่ดีอะชุมชนนี้ไปถึงแล้วถึงรู้ว่าพูดภาษาเกรียงชุมชนนี้แมวชุมชนนี้ลัวละวะรีซอไม่รู้ภาษาเขาสักคำเดียวท่าน ถ้าเรารู้อยู่ว่านี่จะไปอยู่ที่กะเหรี่ยงนะขึ้นดอยนะท่านนะเรียนภาษากะเหรี่ยงสักเดือนเดียวเนี่ยไม่อดข้าวตายแล้วผมก็เห็นไปกันโดยไม่รู้เรื่องเลยนะ่ะไปเยี่ยมที่ใดใดก็เหมือนเดิมเหมือนนั้นผมอุตส่าห์ไปสร้างศูนย์ประสานงานบัณฑิตอาสาอยู่ที่ห้วยบงนะ่ะหากถินไปทอดตั้งสามปีรวมแล้วหมดเงินไปหล้าน ผมก็ยังไม่รู้มันจะช่วยรุ่นน้องได้ยังไงอะ่ะท่านใครจะลงไปหมู่บ้านไหนสอนภาษาให้ท่านสักหน่อยสิภาษาชาวเขาอะ่ะผมยังไม่เห็นเลยว่ามีศูนย์สอนภาษานะที่ที่พระศูนย์พระพรหมบัณฑิตที่วัดถวยมงนมันไปโดยที่ไม่มีความรู้ไม่มีทักษะม่อะไรเมื่อไรมันก็เหมือนเดิม แต่ถ้าท่านไปอย่างมีความรู้มีประสบการณ์มีอะไรต่างๆเนี่ยนะมันจะง่ายเยอะเลยมหาจุฬาเนี่ยนะใครจะสร้างอะไรที่ไหนอย่างไรเรามีแบบมีอาคารมีอะไรต่างๆอธิการบริเตเวนไปพูดไปอะไรต่างมันง่ายกว่าสมัยก่อนเยอะเลยท่านเพราะเราจัดการความรู้กันอย่างนี้เพราะฉะนั้นถ้าผมจะอยากจะเห็นก็คือว่าผมสรุปตรงนี้เลยครับ การปฏิบัติาศาสนกิจเนี่ยเราจะไม่รู้ว่าเรามีจุดเด่นจุดแข็งจุดด้อยตรงไหนถ้าไม่อ้างอิงกับสถานที่ที่เราปฏิบัติไม่อ้างอิงกับงานที่ท่านกําลังทำํำทุกคนก็นึกว่าตัวเองใช้ได้ทเท่านั้นแหละท่านแต่ถ้าไปตรงนี้เขาให้ท่านไปสอนท่านมีจุดเด่นไหมล่ะสอนอะไรสอนภาษาอังกฤษ ยุ่งตายแล้วพูดไม่ได้กี่คําเลยเห็นไหยมันจะมีปัญหาตันดีท่านรู้ภาษาอังกฤษอย่างดีเขาให้ไปเป็นธรรมทูตต่างประเทศแต่เขาให้ท่านสอนกรรมฐานน่ยกรรมฐานไม่เคยฝึกมาเลยไม่เคยสอนเลยต่อให้รู้ภาษาอังกฤษท่านก็มีจุดด้อยคนเราจะเด่นจะด้อยมันอยู่ที่สถานการณ์ท่านสถานการณ์มันบอกเพราะฉะนั้น เราจะต้องรู้ว่าในสถานการณ์ที่เราจะไปเล่นเนี่ยเหมือนกับบทเนี่ย น, นะบทภาพยนตร์เขาจะให้เล่นบทไหนท่านไปนไปเล่นบทตัวโกงหรออุย้ยเราถนัดอยู่แล้วอย่างเงี้ยมันก็สบายสิเขาให้เป็นตัวพระตัวนางมันยุ่งมันขัดกระบุคลิกเราอ่ะมันจึงต้องมีบทมีที่แสดงมีอะไรต่างเขาเรียกว่ามีคอนเท็กซ์มีบริบทว่าจะไปทำที่ไหนอย่างไร การจะส่งต่อเนี่ยมันจะต้องมีแมปปิ้งว่าคนนี้ไปลงตรงนี้ถ้าเป็นูชาวเขาเผ่านี้จะมีวัฒนธรรมอย่างนี้มีงานวิจัยอย่างนี้พูดกันอย่างนี้โอ้โหท่านไปนเริ่มใหม่นี่มันสบายแล้วท่านนี่พอไปเยี่ยมทีไรนะโ อ, โอ้เหมือนเดิมโ อ, โอ้หาว่าผู้บริหารเอามาทิ้งมีกนะันผมต้องโทษไฟการนิสิตเอาไปทิ้งเลยไม่ไปให้ประสบการณ์แก่ท่าน สารต่อสิอย่างพวกท่านมาเนี่ยนะระบุเลยว่าที่ของท่านตรงนี้ตรงนี้มีลักษณะอย่างนี้แล้วถ้าใครลงไปเนี่ยจะต้องระวังตรงนี้ต้องทำอันนี้มันจะเป็นประโยชน์มากแล้วใครที่ลงไปสืบต่องานมันก็จะง่ายมันไม่ใช่ไปเริ่มกอไก่ใหม่อ่ะถ้าใครจะไปปฏิบัติาศาสนกิจที่วัดนี้นะงานเขาเน้นเรื่องนี้เรื่องนี้เป็นหลักแล้วยังขาดเรื่องนี้ สมมติวัดประยูนในวันที่ผมอยู่เนี่ยผมหลับตาบ อ, อกได้เลยท่านผมต้องการผู้มีความรู้ความสามารถในเรื่องอะไรไม่ต้องการนักเทศเราท่านพระนักเทศเต็มวัดผมเลยนะมีเทศไม่ได้แต่เสาไฟฟ้าเท่านั้นเลยท่านแต่ถ้าท่านอยากจะไปฝึกเทศไปอยู่วัดผมอย่างเงี้ยได้แล้วแล้วต้องการงานอะไรลนะ่ะเอาสมมุติในวัดผมเนี่ยนะ ตอนนี้ต้องการวางระบบระบบการเผยแผ่สร้างอาคารมาใหญ่โตท่านสามชั้นให้เป็นเทรนนิ่งเซ็นเตอร์ระบบการฝึกอบรมกรรมฐ า, านนักเทศไร่ต่างเราเป็นผู้บริหารของเทรนเทรนนิ่งเซ็นเตอร์ระบบการฝึกอบรมเนี่ยเราต้องการคนอย่างนี้ อย่างนี้เป็นต้นนะสมมตินะงานเฉพาะในเรื่องนี้ถ้าปฏิบศาศาศาศาัติสารสนเทศวัดประยุทธนนี้ทำอะไรกําลังบูมเรื่องการจัดงานวัดท่านปนีนึงจัดไม่รู้กี่ครั้งในเทศกาลเนี่ยเดี๋ยวก็สงกรานต์อีกแล้วลอยกระทงอีกแล้วแล้วเอาชุมชนนี่นะหกชุมชนนี่เข้ามาร่วมกิจกรรมเอาเด็กมาร่วมกิจกรรมมัคคุเทศน้อย วัดประยู น, ย เ, ปนเป็นหัวหอกในการเอาชุมชนรอบๆทุกศาสนานี่มาพันเกันเป็นงานเพราะฉะนั้นเราต้องการชุมชนสัมพันธ์ต้องการคนที่ประสานสัมพันธ์เชื่อมทุกกลุ่มทุกฝ่ายเป็นเหมือนกับเมนเจอร์โปรเจกต์นี่อย่างนี้ท้าทายส่วนไอ้ที่ไปสวดไปฉันมีเยอะแล้วท่านบางทีปฏิบัติงานอยู่วัดผมแต่งานพวกนี้ทำไม่ได้ มันก็ไม่ได้พัฒนาตัวเองจริงๆอยากจะรับต่างวัดมาอฏิบัติสารสนกิจอย่างที่ว่าเนี่ยใครที่ชุมชนผมนะเขาเลือกคารวะเนี่ยจบด็อกเตอร์มาจากนูน่นญี่ปุ่นมาเป็นเป็นเป็ น, เ ป, นเป็นผู้จัดการไอการประสานงานพัฒนาชุมชนเลือกมาปีที่แล้วปีนี้ลาออกไปละทํางานไม่ได้ไม่รู้เป็นเพราะอะไร อย่างนี้เป็นต้นเนี่ยมันจะมีถ้าถ้าลงไปจะไปทำเนี่ยเราจะบอกคนที่ทำแล้วส่งต่ออะไรต่างมันก็จะท้าทายมากตกปลานอกบ้านประสานสิบทิศผูกมิตรทุกลาบริหารปัญญาสาลิกาป้อนเหยื่อคำว่าสาลิกาป้อนเหยื่อหมายถึงว่านกมันจะป้อนอาหารให้ตรงกับปากของลูกนกตัวใหญ่ตัวเล็กการที่เราไปทางานเนี่ยมันต้องตรงกับความต้องการของชุมชน ชุมชนนี้เขาอยากได้กรรมฐานชุมชนนี้อยากได้ภาษาชุมชนนี้อยากได้การเทศชุมชนนี้อยากให้สอนนักเรียนเราทาได้ตามนั้นเนี่ยเ้าเรียกว่าสาริกาป้อนเหยื่อลูกสาริกามันมีความต้องการคนละอย่างและเราจะไม่รู้เลยว่าเรามีจุดแข็งจุดเด่นจุดด้อยตรงไหนถ้าเราไม่ถูกเรียกร้องให้ทํางานในแต่ละที่ ในรอบปีที่ผ่านมาท่านที่ได้เลือกทําในสิ่งที่ตรงกับความรู้ความสามารถถือว่าโชคดีที่ไม่ตรงกับความรู้ความสามารถแต่พัฒนาตนเองขึ้นมาให้ทันกับงานถือว่าโชคดีส่วนที่ไม่ตรงกับความรู้ความสามารถและทําไม่ได้ถือว่าโชคไม่ดีท่านแล้วก็เท่ากับตัวเองก็ไม่ได้พัฒนางานก็เสียฉะนั้นเพื่อแก้ ปัญหาตรงนี้เนี่ยนะครับเตรียมตัวเองให้มีความรู้ความสามารถลงไปในที่ที่เหมาะกับเราเนี่ยให้การแนะนำให้ทำแนะนำเรียกว่าแนะนำกนี่ยนะแกรุ่นน้องเนี่ยและให้คนไปสืบต่องานของท่านเนี่ยคือเป้าหมายของการสัมมน า, าครั้งนี้แล้วก็ถ้าเป็นไปได้ให้ระบุไปเลยว่าเราที่ไปตรงนี้ตรงนี้เนี่ยไอ้ที่เราตั้งโปรเจกต์ว่าจะทำต่างๆเนี่ยเขียนแผนไว้เนี่ย ตกลงทําได้สักกี่เปอร์เซนต์ประเมินตัวเองด้วยเขาให้เสนอมานะเป็นข้อเสนอมาเราทําได้กี่เปอร์เซนต์และไปทําในสิ่งที่มันไม่อยู่ในแผนมาเนี่ยแต่มันเป็นเรื่องที่ดีนะักกี่เปอร์เซนต์และไอ้ที่นอกจากนี้มันเท่าไหร่และมันมีเรื่องที่ท่านไปไเริ่มไว้อะไรบ้างเนี่ยมันจะเป็นประโยชน์มันจะเป็นการส่งไม้ต่อกันไปก็หวังเป็นอย่างยิ่งนะครับว่าะจะเป็นการปฏิรูป ไม่ต้องไปตรูปคณะสงฆ์ไปฏิรูปการปฏิบัติศาสนาศกิจของเราทำให้รุ่นน้องๆทำได้ดียิ่งขึ้นก็จะเป็นประโยชน์ภัยสารต่อไปและที่สำคัญตัวท่านก็ฟังศึกษาแล้วไปปฏิรูปการทำงานของท่านเองสร้างประสบการณ์ให้กับตัวเองไปทำงานที่ไหนก็พัฒนาตัวเองขึ้นเรื่อยๆคนสร้างงานงานก็สร้างคนฝากเดท่านทั้งหลายไว้ด้วยเวลาเพียงเท่านี้ครับ ในที่สุดนี้ขออํานาจคุณภระีรษะธนใจและบุญกุศลที่ทุกระทุกรูปทุกท่านทุกคนได้มาเพให้เป็นไปจงมารวมกันเป็นตมบะเดชะภลวะปปใ จ, จอํานวยอวยพรให้ทุกรูปทุกท่านทุกคนประสบความเจริญรุ่งเรืองงอกงามไปบุญยิ่งยิ่งขึ้นไปในร่วมธรรมห่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าปราถนาสิ่งหนึ่งประการใดที่เป็นไปโดยชอบประกอบด้วยธรรม ก็ขอให้ความปรารถนา น, น, นั้นจงพันสำเร็จจงพันสำเร็จจงพันสําเร็จสมมโนรถมุ่งมา่ปรารถนาทุกประการตลอดกาลละนานเทิน